พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าปลูกป่าให้สัตว์พึ่งพาอาศัยผู้หมวดดิษเพิร์นวาตำรวจ จะมาปลูกต้นไม้วันที่สิบเจ็ดคือวันพุ่งนี้นะนะบอกว่าทางตำรวจเขาก็จะเตรียมอาหารแต่ที่ยังไงเขาขออาหารหลักจากทางวัดของเราไม่เป็นไรนะช่วยๆกันดูให้หน่อยนะหม้อสองหม้อพวกข้าวพวกอะไรติดต่อประสานกับหมวดอิดเนะ่ยเขาจะมาปลูกต้นไม้ในสระ ผลงานเพื่อการปลูกป่าแต่ตามไม่จริงวัดรวมธรรมที่เขาจะปลูกป่าที่กรุงสีโอโต้เขาจะมาปลูกคนหลายร้อยคนนะเป็นร้อยทางเจ้าเจ้าภาพเนี่ยก็ทำหลุมไว้ก่อนหลุมหลุมหลุม แล้วก็แกะกระดาษแกะพลาสติกเอาลงหลุมไว้แล้วก็เอาดินไว้เอาลงไว้เป็นบางส่วนเพื่อให้มันแน่นไว้แล้วก็พอวันนั้นมานะะแต่วันหลักนั้นก็ตอกไว้แล้วมัดไว้แล้วเวลาแขกมาเขาก็เอาดินกบลงไปเท่านั้นแหละปลูก แต่ตามไม่จริงต้นไม้เราขุดเอาลงเรียบร้อยแล้วถ้าหางว่าพวกแขกให้พวกแขกมาขุดด้วยปลูกด้วยไอถุงพลาสติกถุงต้นไม้ของเราที่กล้าไว้นะแตกกระจุยกระจายหมดเลยตายมดไม้มีเท่าไหร่พอาไม้ของที่เอามาปลูกต้นหนึ่งเออเกือบเป็นพันก็มีเลยต้นใหญ่ ขนาดเท่ากวดโคกขนาดนี่สูงประมาณสองสามเมตรเพราะฉนั้นเขาจะต้องรักษาให้ดีอย่างของเราก็เหมือนกันนะถ้าจะปลูกถ้าจะปลูกอะไรปลูกปรามเราก็ต้องเอาลงซะก่อนเอาดินลงอัดพื้นเป็นบางส่วนเอาน้ําหลงซะก่อนถ้าแขกคนที่จะมาปลูกก็ให้เขาเกียเกลียซะ เอาเพื่อจะได้เป็นเป็นพิธีเป็นผลงานลักษณะอย่างงั้นอ่ะเพราะนั้นเราเจ้าภาพเราก็ต้องรู้ใจกว้างนะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมาทำเป็นพิธีเอาผลงานหรือตามไม่ยิงหลวงพ่อนะไม่ว่าอย่างงั้นนะแต่ถ้าหากว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดวินยัยผิดกฎเกณฑ์ผิดระเบียบอะไรแล้วก็เขาก็มีเอาไม้มาด้วยามาให้เราด้วยเราก็ เอออำนวย อ, อ, อวยพรเพียงแค่นั้นจะจะไม่มีน้ำใจเชียวเหรอเพราะนั้นพวกเราเจ้าของบ้านต้องมีน้ำใจนะลูกหลานทุกคนพอขุดๆุดเอาดินดินลงไปแล้วก็เอาหาไม้ตอกเอาไว้เพื่อมัดไม่ให้มันล้มแล้วก็เกชียฉีกถุงพลาสติกออกเอาลงให้เรียบร้อยจำนวนแขกที่มาเขาก็ ดถ้าให้เขาทำเองเนี่ยตายมดไม้ไม้ไม่เหลือหรอกเพราะเขาไม่เคยจะทำยังไงเพราะไม่เคยในเมื่อไม่เคยเคยใครเคยเราอ่าชำนาญใครชำนาญเราถ้าเราให้ไปขีดไปเขียนนัสิอขึ้นให้ไปนั่งโต๊เยใส่ชุดไปนั่งโต้ให้เขียนนสิมันก็เขียนไม่ออกเหมือนกันไม่รู้จะเขียนลงตรงไหน อโดยชี้ทุกช่องให้เขียนตรงนี้ให้เขียนตรงนี้งานมันจะไปถึงไหนอันนี้ก็เหมือนกันนะเขามาทํางานกับเราเขาจะชํานิชํานาญเหมือนกับประษตรได้ยังไงเพราะมันไม่เคยในเมื่อมันไม่เคยเราผู้เคยเราจะอํานวยความสะดวกอย่างไรนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันมีดี ความเป็นไปได้สติปัญญาแต่และกลุ่มแต่และพักละพวกเพราะนั้นหลวงพ่อเองบอกว่าถึงจะเป็นด็อกเตอร์ระดับไหนก็เถอะไอ้สิ่งที่มันโง่ก็มีอยู่มันไม่ใช่ว่าฉลาดทุกอย่างเพราะนั้นเราอย่าพยองพองตัวว่าเราว่าเราเป็นผู้ฉลาดกว่าใครทั้งหมดนะคความพยองพองตัวอย่างนั้นก็โง่ อ, อีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะว่าอวดตัว ลืมตนลืมตัวว่าข้าเนี่ยเป็นใครข้าก็เป็นคนนั่นแหละอีกสักวันห น, น, นึ่งตายแน่ๆต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะไปฉลาดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ดเราโกรกเลยสิ่งที่มันโง่ต่งมีต่งเยอะแยะแปด0มืนพันประการแต่ขนาดขนมอย่างเดียวน่นะ เ, เราทำขนมอะไรได้บ้าง แต่สิ่งที่เราไม่ได้นะ่ะอันนั้นโง่ใช่ไหมใหแต่ก็ไม่อยากจะว่าตัวเองโง่นะว่าเตียแต่ว่าทาไม่ได้ฮนะแพทย์มีกี่แขนงรักษาคนเราเคยรักษาใครบ้างรู้ไหมที่สิ่งที่ไม่รู้โง่ใช่ไหมก็ไม่อยากว่าตัวเองโง่เพียงแต่ ว, ว่าไม่รู้น ะ, กะเกษตรมีกี่แขนงวิธีการพ่อชํำวิธีการดาเนิน เกษตนระรู้ไหมก็รู้เป็นบางอย่างอสิ่งที่ไม่รู้เนะ่ยตัวเองโง่ใช่ไหมไม่ใช่ข้าไม่รู้ฮะนั่นเป็นอย่างนั้นลหละมนุษย์ของเรามีต่างเยอะแยะสิ่งที่เราไม่รู้เพราะนั้นเราอย่าพยองพองตัวว่าขารู้รู้แต่ขารู้แต่สิ่งที่รู้เท่านั้นเองนะอเพราะนั้นสิ่งที่ไม่รู้เนะี่ยเราที่รู้กว่าเขาเราก็ต้องสอนเขาอย่างที่หลวงพ่อได้พูด เราต้องทำหลุมอะไรให้เขาให้เรียบร้อยในเมื่อเขามาแล้วเขาก็อดินลงแล้วก็อัดบดอัดให้แน่นแตอ่อนน้าลดลงไปนั่นคือปลูกต้นไม้แต่เราก็พยายามเน้นเลือกไม้ผลไม้ผลกับไม้ต้นไม้ต้นเนี่ยเราก็ให้มันเป็นไม้ยืนต้นส่วนไม้ผลก็เป็นไม้อยู่ในระหว่าง เพื่อจะให้พวกสัตว์พวกนกกระรอกกระแตลิงลิงข้างบางชนีอยู่ในวัดของเราต่างพันกว่าไร่เพื่อมันจะได้พึ่งพาอาศัยมันผลละหมากลากไม้ต้นไหนมันออกมันก็จะได้กินแต่หลวงพ่อเน้นเรื่องปรามปรามมันออกทั้งแล้งทางฝนหน้าปรามหรือบางทีพกลิงพวกอะไรได้กิน กินเปลือกของมันมันก็หวานดีพอมันกินมันหล่นออกไปพวกก็ะรอกกรตีกระแตจะกินเม็ดของมันพวกหมูป่าถ้ามันยังมีอยู่มันจะกินเม็ดของมันนี่แหละอันนี้ก็คือเกิดประโยชน์ผลลไม้อย่างอื่นก็เหมือนกันพวกลูกกระบกอยู่ในวัดของเราก็เยอะลูกไซอยู่ในวัดของเราก็มากแต่ว่าไซนี่ก็ดูๆแล้วก็ ได้ทั้งทั้งได้ทั้งเสียนะได้เสียไงก็คือบางทีมันขึ้นไปพัน เ, เพราะไซมันขึ้นตามลำพังมันขึ้นยากโดยมากมันจะไปเกาะไปพันพวกประดูมักคาดตะเคียนทองไม้กระ บ, บากตะแบกอะไรนะ่ะมันพันขึ้นไปพอพันขึ้นไปเสร็จแล้วเออมันหุ้มต้นไม้ตายท่านนี้ไซเกาใหญ่ พอในสุดอีกสักวันหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะมันต้นไม้ข้างในมันผุนะพอไม้ผุข้างในใส่ตัวนี้ใหญ่ขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้โค่นตามอีกนี่แหละใสอาศัยคนอื่นพอคนอื่นตายอยู่ข้างในนะแ ต, ต, ต่ตัวอื่นก็เกาะคนอื่นขึ้นไปเกาะไม้ประดูมัก่าดตะเคียนคองปลา้ตะแบกบเราเห็นอยู่ในวัดของเราไม่รูกี่ต้นตักี่ต้น โค่นลงไปไปดูข้างในไม้อะไรไม้ตะแบกมันเน่าพอเหตุไรเพ ร, ะ, เไเพระไม้ใส่มันหุ่มหุ่มหุ่มหุมขึ้นไปแล้วก็เป็นแผ่คุมเขาแต่อีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดีไม้ข้างในมันผุอะไรอยู่ไม่ได้โค่นอันนี้ก็เห็นมากในวัดของเราเดียวนี่เพราะนั้นใส่นี่ก็เป็นอันตรายเหมือนกั น, นถ้ากุฏิที่พักของพระจะอยู่ใต้ใกล้ต้นใส่หลวงพ่อจะไม่ให้ใกล้ละ เพราะว่าเราไม่มั่นใจว่ามันใส่ตามลำพังหรือว่าใสมันไปพันต้นไม้อื่ น, นแล้วก็ใสนี่ยก็ถ้าเราไปปลูกในวัดหรือวัดสร้างใหม่ เ, าเราไปปลูกเนี่ยละรากเข้ามาน่จะซ่อนใสเข้าไปในหาห้องน้ำหัวส้วมก็อันตรายอีกเหมือนกันทำให้หัวส้วมแตกกระจุยกระจายเพราะรากใส อ้เ น, นก็ต้องระวังแต่วัดของเราเราถือว่าวัดเรากว้างตั้งพันกว่าไร่พระก็ไม่ได้อยู่อยู่เป็นจุดๆห ย, ย่อมๆท่านเองเพราะฉะนั้นไสรเนะี่ยก็จำเป็นปลูกก็ปลูกได้ไม่เป็นไรเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ให้มันเป็นต้นขึ้นมาให้มันเป็นใหญ่ขึ้นมาตามลําพังไม่ต้องเกาะกับไม้อื่นเขาถ้ามันขึ้นตามธรรมชาติของมันก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นแหละ มันเกาะต้นไม้อื่นแล้วก็ย่างลากลงมาตามต้นไม้นั้นต่อมันก็หุ่มต้นไม้นี่เป็นตัวข้องตัวเนี่นแหละเขาว่าคนโบราณเขาจึงว่าใส่อาศัยคนอื่นแล้วก็สังหารคนอื่นนะลักษณะอย่างนั้นน่ะแค่ว่าคนที่เห็นแก่ตัวแล้วเกาะคนอื่นเขาแล้วก็ทำร้ายทำลายคนอื่นเขานี่ก็คือใสน่ะ ใ น, นเขาเปรียบเทียบคนโบราณเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นก็เป็นมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆสำหรับต้นไทรแต่ในวัดของเราก็อย่างหลวงพ่อว่าให้ปลูกพวกไม้ต่างๆพวกไม้ผลมากเมาบางังขนุนบัมกมะม่วงบงังอะไรที่เห็นสมพู่บงังล้ําไยอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ลําใยทำไมทไมที่โลง ปลูกไม่ค่อยจะตะโตนะดียังไงให้ปลูกแต่อันดับแรกเนี่ยครับโยมเท่าแก่ว่าจะเอาข้าวเอาข้าวมาหวานเอาข้าวมาพ่นมเมล็ดข้าวนะ เ, เพราะว่าสระของเรามันลึกเกือบจะเป็น10เมตรนะนะแต่เราฝังนี่ครับขนาดแมกโครแขนยาวทั้งเกือบสิบสหเมตรอย่งยังหดลงไปไม่ถึงพื้นอนะ่ะมันอยู่ในฝัง่ง วันที่ละที่เนินนะเพราะนั้นเราจะไปปลูกแบบสักหลุมสก่อนปลูกคงจะไม่ไหวหรอกหวานะแต่สุดแท้แต่มันจะเกิดขึ้นมายังไงหวานๆวานวานวานใส่เครื่องพ่นพ่นพ่นพนนให้เม็ดเมล็ดข้าวมันเกาะดินไม่ให้มันสไลด์ดินใหม่มันก็มีส่วนหนึ่งแต่ที่มันไหลจริงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะมันก็ต้องธรรมธรรมชาตินะ แต่ตรงไหนขนาดได้ขนาดหนึ่งพอลากมันเกาะมันก็คงจะอยู่ได้รักษาเท่าที่จะรักษาได้นั่นะหถ้ามันตรงที่รักษาไม่ได้ก็จะทำยังไงปล่อยไปตามธรรมชาติของมันนี่แหละอันนี้ก็คือดูแลช่วยๆกันดูแลนะสัตว์ใหญ่ตัวนี้หลวงพ่อว่าอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ ต่อคู่คนด้วยต่อสัตว์ด้วยต่อไปภายภาคหน้าด้วยนี่ช่วยๆกันคิดว่าจะเอาอะไรปลุกให้มันเกิดประโยชน์นะแต่เมื่อวานหนะลวงพ่อก่อนนั่งรถตะเวนไปดูงานนั่นนะพอนั่งรถไปไปเห็นเต่าเต่าน้ำนะมันคงจะหนีขึ้นมาจากสะยังไงก็ไม่ทราบนะมาไต่ในถนนตัวบ้ากใหญ่นะ ดูดูแล้วมันประมาณสักฟุตกว่าคงจะได้กระดองข้อมันนะฟุตกว่าสองตัวแต่อยู่คนละที่กันนะอยู่ห่างกันอยู่หลวงพ่อก็เลยจับขึ้นรถของหลวงพ่อหลวงพ่อเอ้ยมึงขึ้นนั่งรถของข้ามึงจะไปหาขี่ใช่รถข้าไม่ได้นะก็ว่าขี่เต่าขี้เต่ามันเห็นนะ <c oughs> พอเราก็ใส่ในรถ พอใส่ในรถเกื่อกีมันก็โผล่หัวออกมาอย่างที่ว่านะจากนั้นเราก็มาถึงสระน้ำแต่เราก็ไม่เอามาปล่อยข้างหน้านะกลัวมันจะหนีออกไปข้างนอกเดี๋ยวคนจะฆ่ามันเราก็ไปไว้ทางหลังวัดนะที่เป็นมีจอกมีแหนะ่สระของเรามีจอกมีแหนะ่ก็มีนะมียะหามีอะไรที่เป็นที่อยู่ของเต่าเราก็เลยปล่อยลงไปเมื่อวานะสองตัวตัวบ้ากใหญ่ อ้วนเองนะเต่าในวัดของเราเนะนี่ยอ้วนอ้วนปีเลยล่ะนี่แหละสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกต่างตัวก็ต่างใช้กรรมของใครของเราเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเต่าก็เป็นกรรมของเต่ามันก็อยากจะเป็นเทวดามันก็อยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่ามันมันใช้กรรมของมันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีใครหรอก อยากจะเกิดมาแล้วหูหวกตาบอดบ้าใบมีพยาธิโรคาใครๆเกิดมาก็อยากจะหน้าตาเจ็ดสวยงดงามมีเงินคําทรัพย์สมบัติมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายอันไหนดีที่สุดสรุปแล้วอันไหนดีที่สุดมนุษย์ันดีที่สุดเรา็อยากเป็นอย่างนั้นหละแต่มันทาไมจึงเป็นไม่ได้เพราะกรรม กรรมจำแนกให้ค่ามาได้ขนาดนี้กรรมคือการกระทาของเราถ้าอย่างนั้นก็ใครอยากจะได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่มันเป็นไม่ได้เพราะเหตุหอะไรเพราะว่าบุญบา ร, รมีของเราไม่ถึงขนาดนั้นถ้าคิดขึ้นว่าทาถึงจะทาตัวเหมือนพระพุทธเจ้าแบบมักใหญ่ไฟสูงเป็นบาปตั้งหกักทีนี้ ต่อไปตกนรกบกไหมไปอีกเนะนี่ยน่ะขนาดไม่ได้เป็นพระรหันต์ก็ว่าตัวเองเป็นพระรหันต์แตยังเป็นปาราชิกหรือพระนี่ไอ้ภิกษุอวดอุต ร, ริมนุษย ธ, ธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนไนอะ้ค่ายๆว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระรหันตนะ์ไอ้ก็บอกในข่านี่คือพระรหันต์นะศรัทธาญาติโยมนะเะพียงแค่นะนะั้นแหะขาดจากการเป็นพระนี่โทษหนักถึงขนาดนะนะั้นแหะโทษมุสานะ แรงมรคใหญ่ไฟสูงนะแต่าตามจริงเขาก็อยากเป็นจริงๆนแต่มันไม่เป็นมันไม่ได้นี่คงเหมือนกันอ่ะพวกเราท่านทั้งหลายใครๆก็ไฟสูงทางนั้นแหละแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมกรรมจาแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้เพราะนั้นเรารู้รล้วว่าการทํากรรมชั่ว มันจะให้ผลทางต่าการทำกรรมดีมันจะให้ผลไปในทางสูงสูงถึงจะไม่สูงอย่างที่ตัวเองต้องการก็สูงอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายมองเห็นแต่ถ้าทำกรรมชั่วแล้วนะ่ะมนุษย์ทั้งหลายก็มองเห็นกรรมชั่วนะเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เกิดเป็นเต่า เต่าอยู่ในวัดของหลวงพ่ออีกต่างหากก็ยังดีนะเออถ้าหากว่าถ้าหากว่าเกิดอยู่เป็นเต่าข้างนอนนะเขาอาจจะเอามีดเฉาะกระดองเอ่อเอาไปต้มฮเป็นอาหารฮนะอันนี้มันเกิดอยู่ในวัดของหลวงพอ่อเอ่อมันก็ใช้กรรมนานเหมือนกันนะเพราะมันไม่ตายง่ายนี่พอเหตุไรเพราะมันอยู่ในวัดเพราว่าเต่าเนี่ยอายุยืนนะอายุยืนแต่ใครก็ ใครก็ไม่มีใครที่จะยืนอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าวิทยาศาสตร์คํานวณชีวิตของเต่าว่าเต่าเป็นมีอายุถึงสองสามร้อยปีะจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใครเอามาเลี้ยงถูกก็ได้แล้วแข่งกันเนี่ยตเต่ากขาเปล่าใครจะยืนกว่ากันนะแต่หลวงพ่อไม่แข่งหรอกหลวงพ่อเอาเท่าที่จะเอาได้นั่นนะเท่าไหรก็เท่านั้นแหละ ย, ยืนยืนเห็นไหมอายุร้อยปีเนี่ย ช่วยตนเองเขาไม่ได้ทั้งที่แต่ก่อนหน้านี้ท่านเขาแข็งแรงอย่างหลวงปู่จามหนระือหลวงอาของหลวงพ่อนะตัวของท่านแข็งแรงเดินปักปักปักเดินปฏิเนเก้าวไปที่ไห น, 9, ไไหนแข็งแรงแต่พออายุร้อยสี่ปีเท่านั้นนะกระดุกกระดิกตัวไม่ขึ้นนะแต่ถึงยังไงยังช่วยตัวเองได้อยู่นะท่านยังลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่พวกพระก็ต้องพยุงนะ พอท่านลุกขึ้นมานเตรียมตัวพยุงจับกลัวท่านจะหกล้มถ้าหกล้มแล้วกันั่นแหละไม่เป็นผลดีลูกหลานต้องประคองเ น, นี่ยแหะอายุยืนต้องเป็นอย่างนั้นต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแต่ลงลงพ่อกันนั่งหลับตาคิดคิดดูนะนั่งหลับตาคิดคิดอันนี้มนุษย์นะมนุษย์ใช้กรรม เวลาเท่าแกชลามาก็มีคนช่วยนะแต่ถ้ า, าพวกาสัตว์ป่าล่ะสัตว์ป่าช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่อะไรก็ตามถ้ามันแกแล้วทำไงใครช่วยมันไม่ได้ทิ้ ง, ย, งยิ่งเป็นสัตว์ป่าถ้าแกตัวอะไรก็ยิ่งวิ่งช้าหมาก็ยิ่งไล่กัดคนก็ต้องไปฆ่ามันนะโอ้กรรมกรรมแท้ๆนะเพราะมันแก มันวิ่งไม่ได้ถ้ามนุษย์แก่เนี่ยเออยังลูกหลานยังพอช่วยช่วยประยุงช่วยดูแลช่วยนั่นนะแต่สัตว์อื่นเนี่ยแก่เนี่ยโดยมากมนุษย์เป็นอาหารของมนุษย์ข่ามันหมดเพื่อเป็นอาหารสัตว์เรานั่องจากแก่มันก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมมันไม่คล่องแคล่วมันไม่ไวเหมือนสมัยมันหนุ่มเนี่ยแหละดูดูแล้วหลวงพ่ออู้มองดูแลสับปะสัตว์ทั้งหลายนี่ ใช้กรรมใครใช้กรรมเราถ้าอยู่ในป่ารงพงไพ่ก็เป็นพิษเป็นภัยเอถ้าเก่งมันแก่ขึ้นมาก็เป็นอาหารเสือเอพราะมันวิ่งไม่ได้มันป่วยด้มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเพราะมันมีาธาตุสี่ด้วยธาตุสี่มันก็ต้องเก็บไขได้ป่วยเหมือนกับสบรตวสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับมนุษย์ น, นะอเมื่อมันป่วยเนยจะทํายังไงถ้าเห็นสัตว์มาก็ต้องวิ่งสุดชีวิตเพราะกลัวตาย ออพอผลที่นุดมไปไม่ไหวต้องตายเอพราะสัตว์ที่จะจ้องเป็นอาหารเอขาจะจับกินอาหารอยู่แล้วสรุปแล้วก็คือโลกวันนี้ไม่น่ามาเกิดสรุปแล้วนะมันเห็นเห็นมองมองเลยมีแต่พิษตะไย ร, ร ม, มีแต่สัพพสัตว์ทั้งหลายมีแต่เรื่องเวรเรื่องภัย ม, มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้ออันไหนคือสีวิไลเอเพราะนั้นพวกเราคิดคิดดูนะ หลวงพ่ออาจจะคิดมากก็ได้แต่คิดถูกนะหลวงพ่อนะคิดไปในทางที่เบื่อหน่ายไม่อยากจะมาเกิดมาเกิดในโลกถ้าเรามาเกิดก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดใจดวงนี้เราพาไปเกิดใจดวงนี้มันเป็นมีกิเลสลาคะโทสะโมหนะโรคโกรธโงลืมตัวนะพูดง่ายใจของเราลืมตัวถ้าเราดูรู้เท่ารู้ทัน ร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งมันไปตามสภาพนะใจนะจากนั้นก็ดูเข้ามาหาใจใจนี่ก็เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อเบื่อหน่ายคลายที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็เนี่ยแหละพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอณาคาอรหันเนมันอยู่ที่ใจของเราคือรู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นแหะปล่อยวางแล้วกันนั้น เกิดเป็นมักเป็นผลอยู่ที่ใจรับพร อ, อนโมทนาให้พร